จเจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกๆ ท, ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่ห้ากุมภาพันธ์พุทธศักราช 2,554 เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำบุญให้ทาน มารักษาศีลมาฟังเทศฟังธรรมและมาปฏิบัติธรรมเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเพราะการกระทาตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเหตุที่จะนำความเป็นมงคลต่างๆมาให้แก่ชีวิตนั่นเอง ความมงคล น, นี้ไม่ได้เกิดจากผู้ใดแต่เกิดจากการกระทาของเราถ้าเราทำดีเราไม่ทำบาปเราก็จะมีสิ่งที่เป็นมงคลต่างๆเกิดขึ้นตามเรามาถ้าเราทำไม่ดีทำบาปไม่ทำความดีเราก็จะมีสิ่งที่เป็นอัปมงคลทั้งหลาย ตามเรามาเพราะนี่เป็นกฎของธรรมชาติเรียกว่ากฎแห่งกรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรุแล้วได้นำเอามาเผยแผ่ให้แก่สัตว์โลกทั้งหลายเพื่อที่จะได้ดำเนินชีวิตของตนไปในทางที่ถูกที่ควรที่จะนำพาไปสู่ความ เป็นมงคลต่างๆนั่นเองไม่ได้อยู่ที่ผู้อื่นผู้อื่นเพียงแต่มีส่วนในการส่งเสริมหรือผลักดันให้เราไปในทิศทางต่างๆเช่นในมงคลลสูตรก็ส่งสอนว่าเวลาคบคนนี้ให้คบบัณฑิตให้คบคนดี อย่าไปคบคนพาลคนไม่ดีเพราะการครบคนนี้ย่อจะมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของเราถ้าเราครบคนดีคนดีเขาก็จะชวนให้เราไปทำความดีถ้าเราครบคนไม่ดีคนที่ชอบทำบาปเขาก็จะชวนให้เราไปทำบาปและเมื่อเรา ยังต้องการรักษาสัมพันธไมตรีความเป็นมิตรเราก็ต้องเกรง อ, อกเกรงใจเขาไม่กล้าที่จะปฏิเสธเวลาที่เขาชวนเราไปทำอะไรก็ตามเพราะต้องการที่จะรักษามิตรภาพเอาไว้แต่การรักษามิตรภาพแล้วไปทำบาปไปทำสิ่งที่ไม่ดีนี้ ไม่เป็นประโยชน์กับเราแต่จะเป็นโทษกับเรามากกว่าการมีมิตรหรือไม่มีมิตรนี้ไม่ได้เป็นเหตุที่จะทำให้เราดีหรือชั่วสุขหรือเจริญแต่การกระทำของเราต่างหากที่จะเป็นเหตุให้เราดีหรือชั่วให้เราเจริญหรือเสื่อมตกตำ่ำไม่ได้อยู่ที่ การมีมิตรหรือไม่มีมิตรการมีมิตรนี้เป็นเพียงมีผู้ที่จะสนับสนุนหรือผลักดันเราเท่านั้นเองแต่ถ้าเขาผลักดันเราให้ไปในทางที่ไม่ดีเราก็ไม่ต้องให้เขาผลักเราไม่ต้องทําตามที่เขาชวนก็ได้ถ้าเราต้องเสียมิตรภาพเสียมิตรเสียเพื่อนไป ก็ดีกว่าที่เราเสียความดีที่เรามีอยู่ในตัวของเราด้วยการไปกระทำบาปหรือการกระทำที่ไม่ดีต่างๆเพราะมันไม่คุ้มค่ากันคนนี้มีเป็นเป็นล้านในโลกนี้เสียคนนี้ไปเราก็ยังหาเพื่อนคนใหม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เรา หาคนดีคบกับคนดีคนที่ไม่ดีอย่าไปคบกับเขาแต่ถ้ายังมีความจำเป็นที่ยังต้องอยู่ร่วมกันหรือทำภารกิจต่างๆร่วมกันก็ทำไปได้แต่อย่าไปทำในสิ่งที่ไม่ดีที่เขาชักจูงเราไปก็แล้วกัน เราไม่ต้องไปรังเกียจหรือไปเกลียดไปไปเกลียดเขาไม่ชอบเขาขอให้เราทำความเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของบุญของกรรมเขาเคยทำอย่างนี้มาในอดีตเขาก็เลยยังทำในปัจจุบันเช่นถ้าเขาชอบหดื่งสุรายาเมาชอบเล่นการพนันชอบเที่ยวกลางคืน มีความเกลียดคร้านเราก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นธรรมชาติของเขาเป็นคุณสมบัติของเขาที่เราจะไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงเขาได้นอกจากตัวเขาเองที่จะต้องเปลี่ยนแปลงเราทําได้ก็เพียงแต่บอกให้เขารู้ว่าการกระทําเหล่านี้ไม่ดีไม่ได้นําไปสู่ความเจริญ แต่นำไปสู่ความเสื่อมเสียต่างๆถ้าเขาเชื่อแล้วเขาทาเขาปรับปรุงตัวเขาเองได้มันก็เป็นประโยชน์กับเขาเราไม่ได้ไม่เสียกั บ, ก, บกับการกระทําของเขาแต่อย่างใดดังนั้นเราอย่าไปวิตกกังวลหรือโกรธแค้นโกรธเครืองไม่พอใจในการกระทําของผู้อื่น ถึงแม้ว่าเราจะต้องอยู่กับเขาอยู่ด้วยกันเราก็ต้องปล่อยวางเราต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องของบุญของกรรมคนเคยทำอะไรมามักจะติดนิสัยมาแล้วก็จะแก้ยากแต่ก็ไม่สุดวิสัยทุกคนนี้แก้ได้แต่ต้องมีความสมัครใจมีความพร้อมใจถึงจะทำได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเห็นว่าการกระทาที่กำลังทำอยู่นี้เป็นโทษเป็นอันตรายต่อความสุขและความเจริญของตนถ้าเห็นอย่างนั้นเขาก็จะมีกำลังที่จะพยายามเลิกกระทาในสิ่งที่เสียหายได้แต่เราไปทไปห้ามเขาไม่ได้ไปทำแทนเขาไม่ได้ เราเป็นเพียงแต่ผู้ที่จะบอกเขาเท่านั้นเช่นเดียวกับผู้อื่นที่เขาก็ไม่สามารถที่จะมาแก้ปัญหาของเราได้ไม่สามารถมาแก้การกระทำของเราได้เขาเพียงแต่มีหน้าที่บอกเราให้รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรชั่วเท่านั้น อยู่ที่เราว่าเราจะปรับปรุงแก้ไขตัวของเราเองนี้ให้ดีขึ้นได้หรือไม่เท่านั้นเองเนี่ยอย่างพวกเรานี้ก็ได้มาพบกับคนดีก็คือได้พบกับพระพุทธเจ้าถึงแม้ว่าพระพุทธเจ้าจะไม่ได้มีชีวิตอยู่แล้วก็ตามแต่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็ยังเป็นเหมือนกับ เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ก่อนที่ทรงจากไปว่าธรรมวนันที่ตถาคตได้ตัดไว้ชอบแล้วนิแลจะเป็นศาสดาแทนเราต่อไปถ้าเรามีพระธรรมคำสอนก็ถือว่าเรามีศาสดามีพระพุทธเจ้าคอยพาให้เรา ไปสู่ความสุขความเจริญพาให้เราไปสู่สิ่งที่เป็นมงคลต่างๆดังนั้นถ้าเราอยากที่จะเจริญมีแต่สิ่งที่ดีที่งามเกิดขึ้นกับตัวเราเราก็ต้องศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างต่อเนื่อง อย่างเช่นวันนี้ญาติโยมก็มาศึกษาพระธรรมคำสอนแล้วการฟังเทศฟังธรรมนี้เป็นการศึกษาพระธรรมคำสอนให้รู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติกันอย่างไรเช่นท่านทรงสอนว่าอาเซวนาจะบาลานังบันดิตานังจะเสวนาปูชาจะปูชนียานัง เอตามังกาลมุตตมังแปลว่าให้คบบัณฑิตให้คบคนดีอย่าคบคนโง่อย่าคบคนไม่ดี <ST. S 2> เพราะคนโง่เขาก็จะพาให้เราโง่คนฉลาดเขาก็จะพาให้เราฉลาดคนดีเขาก็จะพาให้เราเป็นคนดีคนไม่ดีเขาก็จะพาให้เราเป็นคนไม่ดี ดังนั้นเราต้องรู้จักคบค้าสมาคมรู้จักแยกแยะรู้จักเลือกคนอย่าไปดูคุณสมบัติอย่างอื่นเช่นหน้าตารูปร่างหน้าตาหรือฐานะการเงินการทองสิ่งเหล่านี้นั้นไม่สำคัญเท่ากับคุณสมบัติก็คือความดีหรือความไม่ดี ที่มีอยู่ในตนให้ดูตรงนั้นถ้าคบกับคนดีอยู่กับคนดีแล้วจะไม่ค่อยไม่ค่อยทุกข์ทรมานใจจะไม่เศร้าโศกเสียใจจะไม่เดือดร้อนวุ่นวายเหมือนกับ ค, คบกับคนที่ไม่ดีคนไม่ดีนี้ก็มีคุณลักษณะอย่างนี้คือหนึ่งชอบเล่นการพนันชอบดื่มสุรายาเมา ชอบเที่ยวกลางคืนชอบคบคนผ่านชอบชอบคบคนไม่ดีและมีความเกลียดคร้านแล้วก็ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตชอบลักทรัพย์ชอบประพฤติผิดประเวณีชอบพูดปดปดเท็จโกหกหลอกลวงนี่คือคนไม่ดีเป็นคนที่เราไม่ควรที่จะคบค้าสมาคมด้วย แต่ถ้าเรามีความจำเป็นที่ยังต้องคบค้าสมาคมกับเขาอยู่ก็ต้องระวังอย่าให้เขาชวนเราไปทำในสิ่งที่ไม่ดีถ้าเราไม่ไปก็ไม่เป็นปัญหาอะไรถ้าต้องเลือกกันระว่างมิตรภาพกับการทำไม่ดีก็ขอให้เรา เลือกในการที่ไม่กระทำการไม่ดีคืออย่าไปทำตามเขาเราจะเสียมิตรภาพก็เสียไปเราหาใหม่ได้เวลาเรามาเกิดนี้เราก็ไม่มีมิตรตไม่มีมิตรมากับเราเรามาตัวเป ล, ปล่าๆเรามากับความดีกับความไม่ดีความดีก็คือบุญความไม่ดีก็คือบาป แล้วมันก็จะเป็นตัวที่พาให้เราไปทำดีหรือไปทำไม่ดีถ้าเรามาทเรามากับความดีเช่นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี้ทรงมาเกิดด้วยความดีเพราะในอดีตชาตินั้นได้สะสมความดีมาตลอดพอได้มาเกิดในชาตินี้ก็ได้มาเกิดเป็นลูกของกษัตริย์ เป็นราชโอรสแล้วก็ได้ออกบวชจนได้ตัดสรูเป็นพระอหรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกทั้งหลายมาจนถึงทุกวันนี้นั่นก็เป็นผลที่เกิดจากการทำความดีของพระพุทธเจ้าถึงแม้พระพุทธเจ้าจะอยู่กับคนที่ไม่ดีเท่ากับพระพุทธเจ้าก็ตามเช่นพระราชบิดาก็ยัง ต้องทำสงครามยังต้องมีการฆ่ากันอยู่และทรงปรารถนาให้พระพุทธเจ้าได้จเจริญรอยตามให้รับเป็นกษัตริย์ต่อจากพระราชบิดาแต่เนื่องจากความดีที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสะสมมานี้มีพลังมากมีกำลังมากไม่มีอะไรไม่มีใครที่จะสามารถฉุดลาก ให้พระพุทธเจ้าไปทำบาปไปทำในสิ่งที่ไม่ดีได้เลยพระองค์ทรงมีความดีและปรารถนาที่จะพัฒนาชีวิตของพระองค์ให้เจริญก้าวหน้าอย่างสูงสุดยึงมีพลังมากที่กะ้าจะตัดสละราชสมบัติสละความสุขที่มนุษย์อย่างพวกเราทั้งหลายปรารถากัน อยากได้กันอยากมีกันแต่พระ อ, องค์กับทรงเห็นว่ามันเป็นกองทุกข์มันเป็นเหมือนกับดับให้พระไทยของพระ อ, องค์จะต้องติดอยู่กับ ก, บการเวียนว่ายตายเกิดไปไม่รู้จักจบจากสิน้นนี่คือปัญญาหรือความฉลาดและความดีที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญมาในแต่ละภพแต่ละชาติ เมื่อมีกำลังมากแล้วก็สามารถส่งให้พระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้เป็นพระอาหารหันตตะสัมมาสัมพุทธเจ้าทําให้พระองค์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาพัดพลากจากสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบไม่ต้องมาเศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้ อย่างที่พวกเรากำลังเป็นกันอยู่และจะเป็นต่อไปเรื่อยๆตราบใดที่เรายังไม่สามารถปฏิบัติไปจนถึงพระธรรมขั้นสูงสุดได้นั่นก็คือการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนที่ สำคัญมากและถ้าเราได้ปฏิบัติตามรับรองได้ว่าเราจะมีแต่ความสุขความเจริญมีแต่สิ่งที่เป็นศิรีมงคลต่างๆเกิดขึ้นกับเราต่อไปอย่างแน่นอนแต่ในปัจจุบันนี้ถ้าระหว่างที่เราปฏิบัติทความดีแต่เรายังต้องประสบกับข้อกรรมต่างๆประสบกับปัญหาต่างๆนั้น ก็ขอให้คิดว่าหนึ่งวิบากคือผลของการกระทำความไม่ดีต่างๆในอดีตนั้นกำลังส่งผลให้กับเราอยู่ทำให้เรายัางต้องพบกับเคราะห์กรรมต่างๆอยู่นี่เป็นผลที่เกิดจากการกระทำในอดีตและสองการกระทำความดีของเราในปัจจุบันนี้ยังมีไม่มากพอ จึงทำให้เรายังต้องมีทุกข์มีปัญหาต่างๆแต่ถ้าเราปฏิบัติให้เต็มที่ได้เมื่อหลายแล้วรับรองได้ว่าปัญหาต่างๆความทุกข์ต่างๆภายในใจนี้นจะหมดสิ้นไปเลยจะไม่มีหลงเหลืออยู่ในใจเราจะเหลืออยู่ก็พวกวิบากกรรมที่เคยทำไว้ในอดีตชาติที่ยังส่งผลให้กับเราอยู่ แต่ก็จะส่งผลแค่เพียงชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเท่านั้นเพราะถ้าเราได้ปฏิบัติจนบรรลุถึงพระนิพพานแล้วเมื่อเราตายไปแล้ววิบากกรรมต่างๆที่เราเคยทํามาในอดีตก็จะไม่สามารถส่งผลให้กับเราได้อีกต่อไปเพราะว่าเราไม่เกิดอีกแล้วนั่นเองถ้าตราบใดยังมีการเกิดอยู่ ตราบนั้นก็ยังต้องมีการชดใช้บุญชดใช้กรรมกันตามววละของบุญและของกรรมที่เราทำมาดังนั้นในขณะที่เรากำลังทำความดีอยู่ในขณะนี้ถ้าเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ค่อยเจริญก้าวหน้าหรือเรายังมีแต่ผลที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับเรา ก็ขอให้คิดว่ามันเป็นเรื่องของวิบากกรรมในอดีตและเป็นเรื่องของการปฏิบัติของเราที่ยังปฏิบัติได้ไม่มากพอนั่นเองดังนั้นหน้าที่ของเราก็คือเราต้องพยายามปฏิบัติให้มากขึ้นทำความดีให้มากขึ้นส่วนวิบากกรรมหรือข้อกรรมที่เกิดขึ้นก็ขอให้เราทําใจขอให้คิดว่ามันเป็นเรื่อง ที่เราไม่สามารถที่จะไปห้ามมันได้แต่สิ่งที่เราห้ามได้ก็คือใจของเราถ้าใจของเราไม่ไปกลัวมันยอมรับมันปล่อยให้มันเกิดขึ้นใจของเราก็จะไม่ทุกข์ทรมานใจใจของเราก็จะสงบเย็นสบายเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่คือผลที่เราจะได้รับ จากการครบกับคนดีคนดีนี้ก็มีหลายระดับด้วยกันระดับสูงสุดก็คือพระพุทธเจ้ารองลงมาก็คือพระอาหารหันตสาวกรองลงมาก็คือพระอริยเจ้าขั้นต่ำลงมาเช่นพระอน า, าคามีพระสกิดาคามีพระโสดาบันรองลงมาจากนั้นก็เป็นพระผู้ที่สงศี พระที่ยังไม่ได้บรรลุแต่เป็นผู้ที่มีความเค้่งครัดต่อการประพฤติปฏิบัติพระธธรรมวินัยนี่คือคนดีที่เราควรที่จะเข้าหาอยู่เรื่อยๆนังมีการอธิบายให้ฟังว่าถ้าเราทำความดีกับพระที่สงสีลเราจะได้อนิสง์ ถ้าเราทำบุญให้ทานกับพระที่สงศีลเราก็จะได้อานิสงส์สิบเท่าถ้าเราทำบุญกับพระโสดาบันก็จะได้ร้อยเท่าทำกับพระสกิดาคามีก็ได้พันเท่าทำกับพระอนาคามีก็ได้หมื่นเท่าทำกับพระพุทธเจ้าก็ได้เป็นล้านเท่าเพราะว่าความดีของท่านนี้มีความมากน้อยต่างกัน ความดีนี้ก็คือสิ่งที่ท่านจะสามารถมอบให้กับเราได้นั่นเองนี่คือผลที่เราจะได้รับจากการที่เราได้ทาบุญกับบุคคลต่างๆเพราะเมื่อเราได้ไปทาบุญกับบุคคลต่างๆเหล่านั้นเราก็จะได้สนทนากันได้คุยกันได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ท่านรู้ในสิ่งที่เราไม่รู้พอได้ยินได้ฟังสิ่งที่ท่าน รู้แต่เราไม่รู้เราก็จะรู้ขึ้นมาเราก็จะฉลาดขึ้นมาและเราก็จะได้พัฒนาจิตใจของเราให้สูงขึ้นไปได้อย่างในสมัยพระพุทธการคนที่ไปทำบุญกับพระพุทธเจ้าแล้วได้ฟังเทศฟังธรรมก็ได้บรรลุธรรมกันในขณะที่ฟังเทศฟังธรรมกันเป็นจำนวนมาก สามารถบรรลุถึงขั้นพระอาหารหันต์ได้เลยแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเวียนไหวตายเกิดอีกต่อไปก่อนหน้านั้นก่อนที่มีพระพุทธเจ้ามาตัสร้ไม่มีใครสามารถบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้ด้วยตนเองเลยแต่พอมีพระพุทธเจ้ามาตัสร้แล้วมาประกาศพระธรรมคำสอนพอผู้ที่มีจิตศรัทธามีความเชื่อ ไปทำบุญกับพระพุทธเจ้าและฟังเทศฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็สามารถบรรลุถึงขั้นพระอาหารหันต์ได้เลยเพราะว่าพระพุทธเจ้ามีความรู้ขั้นสูงสุดนั่นเองแต่ถ้าเราไปทำบุญกับพระอนาคามีที่เป็นขั้นรองลงจากพระอาหารหันต์ถ้าเปียบเป็นปริญญาก็เหมือนเป็นเป็นปริญญาโทไม่ใช่เป็นปริญญาเอก ถ้าเราไปฟังเทศฟังธรรมไปศึกษาจากท่านเราก็จะสามารถปฏิบัติได้เพียงขั้นพระอนาคามีเราจะไม่สามารถบรรลุขั้นพระอาหารหันต์ได้เพราะผู้สอนไม่รู้วิธีที่จะทำให้บรรลุถึงขั้นพระอาหารหันต์ได้นั่นเองนี่คือการความแตกต่างของการที่เราไปทำบุญกับบุคคลต่างๆ เราจะได้ประโยชน์จากบุคคลต่างๆนั่นต่างกันถ้าเราไปทําบุญกับคนที่เป็นปุถุชนอย่างพวกเราเราก็จะไม่สามารถที่จะบรรลุเป็นขั้นพระอรหันต์ได้หรือเป็นขั้นพระอริยเจ้าได้เพราะว่าท่านก็ไม่รู้ว่าวิธีบรรลุนั้นเป็นอย่างไรอย่างมากเขาก็อาจจะขอบอกขอบใจเรา หรือสอนวิชาความรู้ทางโลกให้แก่เราเช่นถ้าเราไปทำบุญกับอาจารย์ที่จบปริญญาตรีเขาก็สามารถสอนวิชาความรู้ระดับปริญญาตรีให้กับเราได้แต่เขาจะไม่สามารถสอนเรื่องของการบรรลุมรรคผลนิพพานได้เรื่องของการทำสมาธิได้เรื่องของการรักษาศีลได้เพราะเขาไม่มีความรู้ทางนี้นั่นเอง แล้วยิ่งถ้าเราไปทาบุญกับคนไม่ดีคนที่มีรู้แต่การดื่มสุรารู้จักการเล่นการพนันรู้จักการเที่ยวเตะ ร, รู้จักความเกลียดคร้านถ้าเราไปทาบุญกับคนเหล่านี้ไปคบค้าสมาคมกับเขาเขาก็จะชวนให้เราไปทาสิ่งที่ไม่ดีต่างๆเหล่านี้นี่คือ เรื่องของคนเราถึงแม้จะเป็นคนเหมือนกันแต่ใจนี้ต่างกันร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจนี้เป็นได้หลายอย่างด้วยกันบางคนมีร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเปรตก็มีใจเป็นเดรัจฉานก็มีใจเป็นนรกก็มีบางคนใจเป็นมนุษย์ก็มี มีร่างเป็นมนุษย์และใจก็เป็นมนุษย์บางคนก็มีร่างเป็นมนุษย์แล้วใจเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นพระอริยเจ้าเพราะว่าใจของเรานี้ไม่เหมือนกันเพราะการกระทาของพวกเรานี้ทำไม่เหมือนกันถ้าเราทำบุญให้ทานอย่างวันนี้และรักษาศีลใจของเราก็เป็นเทวดาขึ้นมา ถ้าเรานั่งสมาธิด้วยใจของเราก็จะเป็นพรมถ้าเราจเจริญปัญญาพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราของเราแล้วปล่อยวางได้ไม่ยึดติดไม่ยึดติดกับสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้จะมาหรือจะไปก็ไม่กังวลไม่วิตกปล่อยวาง ถ้าทำใจได้อย่างนี้ก็จะเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆจนถึงขั้นสูงสุดได้เป็นได้ในขณะที่เรายังมีร่างกายเป็นมนุษย์อยู่พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าที่ใจไม่ได้เป็นที่ร่างกายพระพุทธเจ้าบรรลุพระนิพพานที่ใจไม่ได้บรรลุที่ร่างกายแต่ในขณะที่ยังมีร่างกายอยู่ ท่านก็ใช้ร่างกายนี้ให้เป็นประโยชน์ด้วยการเอาธรรมะที่ทรงรู้ทรงเห็นนี้มาเผยแผ่ให้แก่สัตว์โลกแต่ถ้าใจเป็นใจนรกเป็นเดรัจฉานก็จะใช้ร่างกายนี้ม า, าทำร้ายผู้อื่นเช่นคนที่ไปฆ่าผู้อื่นนี้ก็ถือว่าใจนี้เป็นนรกเป็นเดรัจฉานเขาจึงต้องจับ เข้าไปขังไว้ในกรงเหมือนกับขังสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายปล่อยให้ออกมาเพ่นพ่านอยู่ไม่ได้ถ้าเราเห็นสัตว์เช่นสิงโตเสือหรือนงูออกมาเพ่นพ่านนี้เราจะต้องรีบจับมันหรือฆ่ามันทันทีเพราะเรารู้ว่ามันจะไม่ทําคุณประโยชน์ให้กับใครมันมีแต่จะทําโทษฉันใด คนที่มีใจเป็นเดรัจฉานหรือเป็นนรกก็เป็นคนที่ต้องถูกเขาจับเข้าไปจับขังไว้ในคุกในตาราง น, นั่นเองเพราะว่าใจของเขานี้ไม่ได้เป็นมนุษย์ถ้าใจเป็นมนุษย์แล้วก็จะไม่เบียดเบียนผู้อื่นจะไม่สร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นจะไม่ทำผิดกฎหมายไม่ทำผิดศีลธรรม ถึงแม้จะไม่ได้ทำความดีไม่ได้ทำบุญไม่ได้ทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นแต่อย่างน้อยเขาก็ไม่ได้ไปทำบาปทำกรรมไม่ได้ไปสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นใจแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นมนุษย์คือไม่ทำดีแต่ก็ไม่ทำชั่วถ้าทำดีก็ได้เป็นเทพเป็นพรมเป็นพระอริยเจ้าถ้าทำชั่ว ก็เป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นนรกนี่คือความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสัรู้แล้วนํามาสั่งสอนพวกเราพวกเราเคยดูตัวเราเองบ้างไหมว่าตอนนี้เรากําลังเป็นอะไรกันเราเป็นมนุษย์หรือเป็นเทพหรือเป็นเดรัจฉานขอให้ดูที่การกระทําของเรามันมันไม่ปกปิดความจริงเหล่านี้ อยู่ที่ว่าเราจะกล้ามองตัวเราเองหรือไม่ว่าเราเป็นอะไรกันแน่ถ้าเราทำบาปเราฆ่าสัตว์เรารักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีเราต้องเป็นเดรัจฉานหรือเป็นเปรตหรือเป็นนรกอย่างแน่นอนแต่ถ้าเรารักษาศีลได้แล้วเราทำบุญให้ทานช่วยเหลือผู้อื่นมีความเมตตาสงสารต่อผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เราก็จะเป็นเทพ ถ้าใจเราสงบนิ่งไม่ว้าวุ่นขุนมัวไม่ปรุงแต่งว่างอยู่กับความสงบใจของเราก็เป็นพรหมถ้าเรามองเห็นอะไรแล้วเราไม่ยึดไม่ติดเราปล่อยวางเพราะเรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดและมีดับเป็นธรรมดามีมาและมีไปเป็นธรรมดาเรามาตัวเปล่าๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปตัวเปล่า เราไม่สามารถเอาอะไรติดตัวไปได้แล้วเราทำไมจะต้องมาทุกกับสิ่งต่างๆให้มันหนัก อ, อกหนักใจไปทำไมเราจะคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะปล่อยวางมีก็ได้ไม่มีก็ได้อยู่ก็ได้ตายก็ได้ถ้าเป็นอย่างนี้เราก็จะได้เป็นพระอริยเจ้าขั้นต่างๆนี่คือเรื่องของของบุญเรื่องของกรรม เรื่องของการรู้จักคบคนคนดีหรือคนไม่ดีและเรื่องของความเป็นมงคลและความเป็นอัปมงคลก็เป็นผลที่เกิดจากการครบคนดีและหรือคนไม่ดีแล้วก็ทำดีหรือทำไม่ดีนี่จึงยงขอให้ท่านทั้งหลายจงมองเรื่องของความเป็นมงคลและความเป็นอัปมงคล นี่ให้ที่ตรงนี้ให้ดูตรงที่การครบค้าสมาคมของเราและกับการกระทำของเราว่าเราทำดีหรือทำไม่ดีอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ที่ใครทั้งนั้นจึงขอฝากเรื่องของการมาทำความดีมาสร้างเหตุที่จะเป็นที่จะนำสิ่งที่เป็นเศริญมงคลต่างๆมาแก่ชีวิตของเรานี้ ให้ท่านได้นำเอาไปพินิษ์พิจารณาและปฏิบัติเพื่อความเป็นศีลของคนที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณทศรีรัตนไตรและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญความเป็นสิริมงคลทั้งหลายโดยทั่วหน้ากันเธิ